ทรัพย์มบัติของเขามาเป็นของตัวเองหรือว่าโกหกเขามันมีมากมายคําว่าโกหกคำนี้นะ่โกหกเรื่องอาลาบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องอะไรต่อไม่อะไรมากมายเรื่องโกหกคำนี้แต่ถึงยังไงเรารู้แกใจว่าคำว่าโกหกคำนั้นนะ่ะคือความไม่จริง อ, อุปโลกและการพูดขึ้นมาเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น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 พอมาถึงหลวงพ่อก็ให้นำให้นำไหว้พระจากนั้นก็สมาทานศีลเป็นเบื้องต้นต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมมบทนิยกถาตอนรับคณะลูกหลานทุกคนเพราะลูกหลานทุกคนเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเพื่อศึกษาหาความรู้วิชาความรู้วิชาในโลกนี้มีมาก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 นามธรรมเนยะคือจิตใจแต่พวกเราท่านทั้งหลายในยุคนี้สมัยนี้เขาพิสูจน์ได้แต่ว่าสมองสมองอยู่ที่หัวของเราแต่ตามไม่จริงในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมองนะเหมือนกับเครื่องคองมพิวเตอร์มันตั้งอยู่ในสมองในหัวของเราแต่คนที่มาใช้สมองนะ่นคือใจคือนามธรรมจุดนั้นวิทยาศาสตร์มองไม่เห็น ตามไม่รู้ในจุดนั้นแต่พระพุทธเจา้าท่านไปค้นคว้าศึกษาท่านท่านมองเห็นได้เหมือนกับพวกเราไปกดคอมพิวเตอร์ใช่นะนะคอมพิวเตอร์ก็คือความจำแต่คนที่ไปกดคอมพิวเตอร์นี่ฉลาดหรือโง่ฮะแต่เนี่ยความฉลาดหรือโง่ทำไมมันต่างกันความจำและความไม่จำท่านบอกว่าคนที่ฉลาดหรือจำนั่นคล้ายๆว่าคนมีบุญเก่าเหมือนกับคนมีเงิน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 เมื่อนี้เาจะลถไปที่ไหนในหลักธรรมคำสอนเอาไปหาเกิดวิญญาณตรงนี้ไปเกิดไปเข้ากับท้องช้างม้าวัวควายหมูห ม, Ł, มาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นไปเกิดเป็นสัตว์ที่ราชานก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ชดแท้แต่บุญบาปกรรมที่ตนได้กระทำไว้พอเหตุว่าพอเราทาเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราทำำํากรรมดีคิดดีทาดีพูดดีเมื่อคิดดีทาดีพูดดี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 กรรมดีให้ผลมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเนะนี่แหละให้พอเราศึกษาเอาไว้นยะหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวแนะนําเอาไว้สรุปแล้วก็คือโซเฟอร์นะอย่าถคิดอย่าทําความชั่วส่วนรถคันนี้นะเออคือว่าใจเป็นใหญ่ใหจเป็นหัวหน้านะใจก็คือตัวโซเฟอร์เออมโนปุพัง คำมาทำมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะพูดให้ชัดเจนกว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขึ้นขับรถโซเฟอร์หักพวงมาลัเยเหยียบคันเร่งลงคลองตกเหวก็ได้ชนต้นไม้ก็ได้ชนคนก็ได้เพราะอะไร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 แล้วนั้นเรากาไปที่หัวนอนของเราก็กาพักขุลคือพุทโธธรรมโมสังโฆกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจของเราคือกาพักขุณของท่านจากนั้นเราก็เมื่อกาบเสร็จแล้วก็กาวอลหังสวากาโตสุ ป, ปฏิปโนสัสระเสริญก็ได้จากนั้นก็ น, นโมตัสสะข้าพระเจ้าขอนนบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้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 แล้วจากนั้นลมก็ออกไปก็รู้ว่าลมออกนี่มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละ ว, วิธีการกำหนดลมจากนั้นเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นไม่ให้เผลอพราะมันเผลอดึงกลับคืนมามันเผล่เพราะอะไรตั้งสติให้เข้มแข็งกันอีกโดยอีกไม่ให้เผลอจากนั้นใจใจของเรามันไม่เผล่ใจของเราก็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 พอกำหนดลงมันรู้ว่าหายไปนอะหายไปไห น, หไหนเต้องเราก็ต้องพยายามบริกรรมให้ทีโดยสิเปลี่ยนกรรมฐานใหม่ทีแรกก็กรรมฐานหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่นี้บัด น, นี้เราบริกรรมพุทโทพุทโทพุทโทพุทธโทพุทโตให้สำทับอยู่ในความรู้สึกนั้นนั้นไม่ให้มันเผลอเอาอย่างนี้ดีไหมได้ไหมไม่ให้มันเผลอเผลอยังเผลอไหมแต่ท่านี้เมื่อมันเผลออยู่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 เหมือนกับรเราเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอาฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนี้ก็เห็นว่าหลวงพ่อจะแนะนำเพียงวิธีการเท่านี้สักก่อนแล้วเมื่อออกจากสมาธิแล้วทำยังไงในเมื่อเราทำสมาธิเป็นสมาธิดีแล้วจิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจสงบไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่สานสติอยู่กับตัวเองในเมื่อเรา ภาวนาพอสงควรแล้วก็เราก็ปนมมือขึ้นระหว่างกอก เ, ออเสร็จแล้ว เ, เราก็อุทิศส่วนกุศล ว, ว่าข้าพรเจ้าได้นั่งสมาธิในวันนี้ขออุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรคุณคือพ่อแม่ปูย่ย่าตายายวงศาราณาญาติญาติเมตสหายเจ้ากรรมนายเวรถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขแล้วข อ, ขอให้มีความสุขริ่ๆขึ้นไป ตลอดถึงหน้าที่การงานของพวกเราญาติโกโหติกาที่ทำการงานกขขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่าได้มีอุปสรรคนานับประการด้วยบุญกุศลที่เขาไปยาวใดบาเพ็ญมามอบให้แก่พวกท่านดวงวิญญาณหรือท่านเหล่านั้นอยจากนี้ก็เราก็ออกจากสมาธินี่แหละถ้าเราทำได้อย่างนี้แปลว่าใจของเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจของเราจะไม่ร้อน